ทั้งละเมืองทั้งลาเมือง1นึงไปกว่าต้นสองสองไปกว่าต้นสามสามไปกว่าต้น4 4 ส, สีไปกว่าต้นห้าห้ากว่าต้น1ึงก็เรียกว่าโกราขนกันทีเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีไปยุยยุย่ยจกระชากคนมากลุ่มไหนที่มีคนใจถึงหน่อยเขาก็ไปฉุดมาได้เยอะเล่นไปเล่นมาแค่ย0นาทีก็เหลือแค่สกลุ่ม3เมืองก็สนุกสนานกัน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 บางนก็บอกว่าไม่ชอบนะกิจกรรมนี้เลยนะมาบังคับให้ต้องไปจุดกระชากรากถูที่จริงกิจกรรมนี้ไม่ได้บอกให้ไปจุดกระชากลากถูเลยเพียงแค่ให้ไปกวาดตอนคนมาให้ได้มากที่สุดนะว่าแต่ว่าทุกกลุ่มก็ลงเอยด้วยการไปจุดกระชากรากถูคือการใช้กําลังนะไม่มีกลุ่มไหนที่จะใช้วิธีการไปเจรจาประเด็นหนึ่งที่ได้ตั้งได้แน่ให้เขาลองคิดพิจารณาดู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 ไม่ชอบยกมือกันเป็นแถวหรือไม่ชอบมันก็น่าแปลกนะว่าเมื่อไม่ชอบถึง9 0้แต่ทําไมพอให้ทําจริงๆมันกลายเป็นว่าคนทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปจูกระชักลากถูกันใหญ่จะหมายความว่าคนเกคนปล่อยให้คน10คนซึ่งชอบการใช้กําลังชอบการใช้จูกระชักลากถูนี้พาไปหรือเปล่าถ้ามันก็น่าคิดนะเออทาไมคนเกคนนี่ไม่ชอบการจูกระชักลากถูแต่ว่า สุดท้ายมันก็ลงเอยไปด้วยการที่คนทั้งร้อยคนไปฉุดกระชางลากถูกคนใหญ่เสมือนว่าปล่อยให้คน1ิบคนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยแค่ 10% เซ็น์นี้เป็นผู้นำกลุ่มนำฝูงไปธรรมาก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมคนที่ไม่ชอบซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ถึงยอมตามคนส่วนน้อยได้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สังเกตว่าคนที่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 เป็นคนส่วนน้อยสมมุติว่าเราเป็นคนส่วนน้อยแต่จำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องคล้อยตามคนส่วนใหญ่ทำไมเราไม่จะทำอะไรเลยนะที่จะบอกให้คนส่วนใหญ่สมมตินะว่าคนส่วนใหญ่เขานิยมการใช้กาลังแต่ว่าในกรณีนี้ปรากว่าส่วนใหญ่ไม่ชอบแต่ว่ากลับปล่อยให้คนส่วนน้อย 10% พากลุ่มไปในการใช้ความรุนแรงถามก็ต่อไปว่า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 อย่างที่บอกว่าไม่ชอบการใช้กาลังแต่พอเห็นคนหนึ่งเขาทำกันมันก็เริ่มสนุกเพราะว่ามันได้ใช้อำนาจการที่ได้ใช้อำนาจไปฉุดกระชากลากถูคนอื่นมามันสนองกิเลสส่วนผิวๆนะที่เรียกว่ามานะมันสนองนะความสนุกด้วยที่เราคำความมันทำไปก็ยิ้มไปทั้งทั้งที่ใจหนึ่งก็บอกไม่ชอบแต่ทำไปแล้วสนุกแล้วคนเราก็มีกิเลสตรงนี้อยู่นะ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 ก็อาศัยเสียงส่วนใหญนะ่ไม่ได้มีความคิดเป็นตัวของตัวเองใครเขาว่าแล้วก็ทําตามถ้าเราไม่กินเหล้าแต่คนนึ่งก็กินเหล้าเราก็เข้ากับเขาไม่ได้นะก็ต้องยอมกินอันนี้เรียกว่าโลกาธิปไตยทียนี้เป็นกันเยอะเพราะงั้นการพอเป็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้าเนี่ยมันก็เริ่มทําอย่างอื่นที่มันแย่ลงแย่ลงไปได้เรื่อยๆจากการกินเหล้าเป็นฝูงก็ไปทําอย่างอื่นมั่งเช่นวัยรุ่นที่กินเหล้า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 คนเป็นพันมันเดินผ่านแต่เราไปช่วยข้อนี้มันรู้สึกว่ามันแปลกแยกอายกลัวกลัวที่จะทำดีนะนแต่เวลาไปโสมหญิงไปตีกันนี่กล้านักอันนี้ก็กลายเป็นว่ามันเกิดสิ่งที่เราเรียกว่ากล้าทำชั่วแต่กลัวทำดีไม่ต้องพูดถึงการช่วยคนเป็นลมอยู่กลางถนนนะบางทีแค่เหมือนก่อนเนี่ยอย่างที่เมื่อ2วันก่อนก็นกไปคุยกับ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 คนกล้าทําชั่วนะแต่กลัวทําดีเวลาจะมาปฏิบัติธรรมก็กลัวกลัวโน่นกลัว น, น, วนี่แต่ว่าเวลาบอกให้ไปยกพวกตีกันนี่ไปกันใหญ่มีวัยรุ่นนี่มาบวชที่วัดที่วั ด, วดป่ามหาวันเป็นวัยรุ่นที่เร็ว่าเป็นพวกหามนะจะให้ไปตีใครนี่เอาจนทั่งติดคุกประกันมาได้ก็ให้มาบวชมาบวชนี่ก็ไม่กล้านะไม่กล้านอนคนเดียวกลัว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 เราไม่คิดว่าทําความดีแล้วมันจะได้ดีเพราะเราไปเห็นคนหนึ่งเขาทําชั่วแล้วรวยเอารวยเอาแต่ว่าไอ้ความรวยกับความดีมันไม่เหมือนกันนี่นี่เป็นเรื่องที่เราต้องต้องช่วยกันสอนแต่ที่จริงจะว่าช่วยกันสอนก็คงพูดยากนะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันสอนกันไม่ได้มันต้องทําให้เป็นแบบอย่างนะครูบาอาจารย์เอ๋ยพ่อแม่เอ๋ยรวมทั้งพระสงค์องค์เจ้าเองเนี่ยต้องทําให้เป็นแบบอย่างคือยืนหยัดมั่นคงในความถูกต้อง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 แต่พอเด็กได้มาจริงๆเด็กก็ชอบนะท้งน้า ท, ที่แรกเด็กไม่ชอบเด <_ t od ic> ็กม .4 ม .5 <_ t od ic> ได้มา ป, ปลาูกป่ามาค้างแรม <_ t od ic> เด็กติด <ic> สบายนะต้องมาเดินไกลต้องมาหอบหิวพันไม้ต้องมาตากแดด <_ t od ic> แต่ว่าพอทำแล้วเนี่ยเรามาคุยกันเด็กมีความสุขเด็กสนุกนะเพราะว่าการทำอะไรที่ทำอะไรร่วมกันแล้วถ้าเป็นการทำความดีแล้วมันก็ทาให้เกิดความเพลินได้ทางนั้นแล้วเด็กก็จะพบว่าเออทาแบบนี้มันก็สนุกนะ บางทีมันสนุกกว่าการไปเที่ยวห้างซะ อ, อีกเที่ยวห้างมันสบายมันไม่ให้ความสุขที่มันมีรสชาติอย่างการที่มาลำบากร่วมกันอย่างอย่างที่ที่วันในทุกปีนี้ก็จะมีการเดินธรรมยาตราเดินธรรมยาตราก็เดินกันกลางตากแดดนะถ้าฝนตกก็ตากฝนเดินกัน7จคืนแวันตั้งแต่วัดป่ามหาวันภูหลงมอนการดินกิงกลางทรายไม่มีความแน่นอนในเรื่องสถานที่ไม่มีความแน่นอนในเรื่องอาหารการกินคนเยอะบางทีก็อด แต่ก็มีเด็กมาเดินเงินทุกปีะมีที่โรงเรียนรุ่งอรุณจากกรุงเทพก็ส่งเด็กมาเด็กม .4 มาทุกปีปีละ2ีนคนมาทั้งชั้นเลยและที่น่าสนใจคือครูก็มาด้วยครูทั้งห้าหกคนก็มาแล้วก็มาเดินตากแดดกับนักเรียนและเรียกว่าร่มหัวโจมไายกับนักเรียนอันนี้มันก็ทําให้นักเรียนเนี่ยก็มีความศรัทธาในครูว่าไม่ใช่ว่าให้นักเรียนมาลำบากอย่างเดียวครูก็มาลำบากด้วย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 มีมูนิธิหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากคนไทยไปไปดูงานเยอะมากนะเป็นพันคนละเรื่องมูนิธิชื่อจี้ฟังดูมันก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะมูนิธิแต่ที่จริงนี่เขามีสมาชิกเป็น5ล้านคนมีอาสาสมัครทํางานจริงจังเป็นสองแ 0,000 คนมีโรงพยาบาลพันเตียงถึง 3- 4มหแห่งมีหมหาวิทยาลัยโรยงเรียนแพทย์มีวิทยาลัยอาชีวะแล้วก็มีโรงเรียนตั้งแต่ประถมถึงมัมธยม เขประสบความสําเร็จมากในการที่ฝึกให้เด็กนี่มีมีธรรมะแล้วสิ่งที่เขาทาอย่างนี้คือว่าไม่ได้สอนด้วยคําพูดแต่ว่าให้เด็กไปช่วยกันไปทําสาธารณประโยชน์เริ่มตั้งแต่ทําประโยชน์ในโรงเรียนโรงเรียนชื่อจี้นี่ไม่มีคนงานไม่มีนักการพานโงที่จะมาทําความสะอาดแล้วโรงเรียนสะอาดได้ยังไงโรงเรียนสะอาดได้กับพนักเรียนไม่ใช่แค่นักเรียนเท่านั้นครูด้วยทุกวันนะต้องมีเวร10บโมงก็ต้อง เป็นเวลาบอลเต็มประโยชน์ให้กับโรงเรียนก็คือทําความสะอาดนั่นเองและนักเรียนที่เก่งนะจะได้รับเกียรติพิเศษนักเรียนที่ได้คะแนนดีจะได้รับสิทธิทพิเศษก็คือไปทําความสะอาดห้องน้ํานะความสะอาดห้องน้ํานี้ถือว่าเป็นเกียรติถ้านักเรียนไม่ใช่เป็นเด็กเรียนดีไม่ได้ทําความสะอาดห้องน้ําเพื่ออะไรแล้วนะก็เพื่อลดความยึดติดตัวตนนะเพราะว่าเด็กที่เรียนเก่งก็มักจะมีอีโก้หรือมีตัวตนสูง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 แต่ให้นักเรียนทําแต่ครูไม่ทําแล้วมันจะแสดงว่ามันเป็นของดีได้อย่งไรพ่อแม่แต่ครูก็ยังไม่ทำอันเนี้ยการเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นหน้าที่ของทุกคนและครูก็ทําให้เป็นแบบอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้เด็กก็เริ่มมีความรักโรงเรียนรักครูแล้วก็เชื่อจริงๆว่าในการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นของดีไม่ได้ทําที่โรงเรียนอย่างเดียวออกไปทําในนอกโรงเรียนด้วยนะไปเยี่ยมคนป่วย ไปเยี่ยมคนเจ็บไปเยี่ยมคนแก่บางทีก็ไปทํางานแยกขยะไปทําแล้วไปทําเป็นกลุ่มทําเป็นกลุ่มแมันก็สนุกเนี่ยทำเป็นกลุ่มแล้วสนุกได้เห็นคนแก่ยิ้มแยม้มคนเรานี่พอได้ทําความดีแล้วนไงมันเห็นรอยยิ้มเห็นรอยยิ้มของเพื่อนเห็นรอยยิ้มของคนแก่เห็นรอยยิ้มที่เตีองไปช่วยมันก็มีความสุขและพอถามเขาว่าสุขอย่างไรเขาก็บอกว่าโอ้มันสุขมันสุขกว่า ไปดูหนังมาสว่การไปเที่ยวที่ไหนซะอีกบางทีคนเราได้รับความสุขแต่มองไม่เห็นมันก็ไม่เห็นคุณค่าต้องทำให้ค่อยเห็นกลับมามองตัวเองเวลาทําความดีเราต้องกลับมามองตัวเองว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างไม่งั้นมันผ่านเลยไปเหมือนกับดูละครอย่างที่พูดไปดูละครเออดูแล้วสนุกแต่ถามว่าได้อะไรไหมไม่เคยมีการถามสิ่งที่ได้เห็นตลอดเวลาสองชั่วโมงเวลาชั่วโมงหนึ่งบางทีก็เป็นของดีแต่มันก็ผ่านเลยไป